สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันแรงแปดข้ามเดือนแปดปีวอกเป็นวันพระวันธรรมมนะัสวันัธรรมวันนี ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อประกอบคุณงามความดีทําบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมหลังจากนั้นแล้วเราก็แยกย้ายกันไปแล้วข่าวหน้าเราก็มารวมตัวกันอีกแล้วก็แยกย้ายกันอีกนี่ก็คือลักษณะของสิ่งต่าง ที่มีอยู่ในโลกนี้รวมเป็นการรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็แยกตัวออกจากกันอยู่เสมอศาลาหลังนี้ก็เป็นแบบเดียวกันศาลาหลังนี้ก็เป็นที่รวมตัวของอิฐหินปูนทรายเหล็กกระเบื้องสิ่งต่างๆแต่ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอาจจะห้สิปีร้อยปีสาลาหลังนี้ก็ต้องแยก แยกจากกันสิ่งต่างๆที่ติดตั้งไว้ในนี้ก็จะเสื่อมสภาพลงไปหล่นลงมาก็ต้องถูกทิ้งไปถ้าไม่มีการบูรณะซ่อมแซงทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เพราะนี่คือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ที่จะต้องเป็นไปอย่างนี้มีการรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็มีการแยกตัวกันออกไปห่ังร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันร่างกายของคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นแบบเดียวกันต้นไม้ภูเขาก็เป็นแบบเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีแต่ การรวมตัวกันแล้วก็มีการแยกจากกันเป็นปกติผู้ที่รู้เรื่องราวล่านี้แล้วไม่ไปหลงยึดติดว่าจะต้องให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่รวมตัวกันตลอดไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีการแยกตัวกันผู้รู้ผู้ที่ไม่ยึดติดก็จะไม่ทุก ก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจผู้ที่ไม่รู้ที่ยังมีความหลงอยู่ยังมีความยึดติดอยู่ยังต้องการให้สิ่งต่างๆรวมตัวกันอยู่ไปตลอดเวลาเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดการแยกตัวกันขึ้นมาก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับรับไม่ได้กับความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นกับตนเองนี่คือความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้ย่อมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องอะไรผิดปกติย่อมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่คนที่ไม่รู้ นั้นเมื่อเกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็อดรนทนทนใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเป็นชนิดที่รุนแรงก็ถึงกับต้องทำลายชีวิตของตนไปด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนี่ก็เป็นเพราะว่า ความหลงนั่นเองความไม่รู้ไม่เคยศึกษาธรรมชาติรอบตัวของตนเองว่าเป็นอย่างไรมัวแต่ถูกความหลงหลอกอยู่ให้หาให้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาครอบครองเพราะเมื่อได้มาครอบครองแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดถึงด้าน เสียคือด้านความทุกข์บ้างเลยที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพรากจากกันไปในที่สุดนั่นเองนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เคยเสี่ยรับฟังคำสอนของนักปราชญ์อย่างพระ อ, อรหันต์ตสมมาสัพพุทธเจ้าหรือไม่ได้สนใจที่จะศึกษาจาก ประสบประการที่เกิดขึ้นกับตนแล้วเวลาเกิดสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนาขึ้นมาก็จะต้องมีความเสียใจมีความทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราจงอย่าประมาทจงพยายามพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง สังขารก็คือสิ่งต่างๆที่รวมตัวกันเข้ามานั่นเองเช่นร่างกายของเราก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งมีการรวมตัวกันเข้ามาของเิ น, น้ำลมไฟคือธาตุสี่มาในรูปแบบของอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปร่างกายก็จเจริญเติบโตขึ้นมา ทำให้มีอวัยวะครบบริบูรณ์32ประการด้วยกันร่างกายนี้ถ้าไม่มีอาหารจ ะ, จะเจริญเติบโตเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ร่างกายถ้าไม่ได้รับการทำนุ บ, บำรุงด้วยอาหารคือธาตุสี่แล้ว <c oughs> ร่างกายนี้ย่อมอยู่ไม่ได้ย่อมมีการดับไป แตกสลายไป ก, ก่อนเวลาอันควรแต่ถ้าได้รับการทํานุบำรุงดูแลรักษาด้วยอาหารคือธาตุสี่ดินน้ำมุไฟที่มาในรูปของอาหารร่างกายก็จะสามารถอยู่ไปได้จนกว่าจะถึงวัยอันสมควรเมื่อถึงเวลานั้นแล้วอาหาร คือธาตุสีนั้นก็จะไม่สามารถที่จะดูแลเยียยารักษาให้ร่างกายนี้อยู่รวมตัวกันได้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วธาตุทั้งสี่ก็ต้องมีการแยกสลายออกจากกันไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าที่ฐานไปนี่ก็คือการรวมตัวของธาตุสี่ินน้ำลงไฟ รวมตัวกันเข้ามาก็กลายเป็นบุคคลต่างๆเป็นหญิงเป็นชายเป็นนกเป็นแมว <c oughs> เป็นสุนัขเป็นอะไรต่างๆที่เราเห็นกันอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการรวมตัวกันก็ต้องมีการแยกกันเป็นธรรมดาถ้าเราพยายามสอนใจเราอยู่เสมอให้รู้ไม่ให้ลืม เวลาได้อะไรมาก็ต้องเตือนสติตัวเอนตนเองว่าได้มาไว้เพียงชั่วคราวเท่า น, นั้นไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นสักวันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันไปเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราคอยพร่ำสอนคอยเตือนเราอยู่เรื่อยแล้วเราจะไม่หลงเราจะมีภูมิกุ้มกันคือมีปัญญา มีความรู้ที่จะทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทำลายความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามความต้องการของเราเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เขาไม่ได้อยู่เพื่อเราเขาไม่ได้เป็นเพื่อเราเขาอยู่เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาตั้งอยู่ได้เขาก็จะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาตั้งอยู่ได้เขาก็ต้องล้มลงไปเขาก็ต้องสลายเปลี่ยนไปนี่คือความจริงถ้าเรารู้ความจริงเหล่านี้แล้วเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการของเราแต่เราจะคอย พร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการที่จะเกิดการล่มหายตายจากจากกันไปเมื่อใจพร้อมแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่มีความทุกข์เลยใจจะไม่มีความหวั่นไหวเอ่ยนี่เป็นสิ่งที่ใจของแต่ละคนสามารถทากันได้อยู่ที่ว่าจะทาหรือไม่ทาเท่านั้นเอง ขณะที่ฟังนี้บางทียังใจยังรับไม่ได้เลยเพราะว่าทําไมมาสอนให้ปลงให้วางเพราะใจของเราส่วนใหญ่นั้นยังไม่อยากปลงยังไม่อยากวางยังอยากได้ยังอยากมียังอยากเป็นยังอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการตามความอยากของเราซึ่งมันเป็นการฝืนความจริงแท้ mm hmm. เห็นอยู่แท้ แต่เพ้าใจถูกกำนาของความหลงครอบงำอยู่ความหลงนี้จะพยายามป้องกันไม่ให้ใจ <c oughs> คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้บางทีก็ให้คิดว่าคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันไม่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนี่ก็เป็นความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดนั้นทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นล้วนเป็นมงคลทั้งสิ้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อับประมงคลเลยเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดนั้นจะทําให้เราฉลาดจะทําให้เราอยู่เหนือความทุกข์ได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่คิดนั่นแหละเป็นความอับประมงคลที่แท้จริงถ้าเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่กําลังรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่คิดถึงความพัดพรากจากกันที่กําลังรอเราอยู่ข้างหน้า อย่างนี้แสดงว่าเรากําลังสะสมสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายอยู่ภายในใจเหมือนกับสะสมลูกระเบิดไว้ให้เป็นกองเท่าภูเขาอยู่ในใจพอถึงเวลาที่ใครไปจุดชนวนระเบิดเข้ามันก็จะระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงสร้างความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสจนกระทั่งถึงกั บ, กบรับไม่ได้ถึงกับจะต้องฆ่าตัวตายไป ก็มีอยู่หลายรายด้วยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ยอมสะสมความคิดที่เป็นมงคลนั่นเองคิดแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลคือคิดว่าขอให้อยู่ไปนานๆขอให้ร่าขอให้รวยขอให้มีตำแหน่งสูงๆขอให้มีคนรักที่จะอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดขอไม่ให้เขาทิ้งจากเราไป เหล่านี้ล้วนเป็นความคิดที่เรียกว่าอับประมงโคทั้งสิ้นเพราะมันเกิดจากความหลงเมื่อคิดสิ่งเหล่านี้แล้วจะสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับตนเองในขณะที่มันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาดังนั้นเราจึงต้องทำความกาใจว่าความคิดส่วนใหญ่ของเรานั้นเป็นความคิดที่ฝืนความจริงความคิดใดที่ฝืนความจริงนั้นต้องถือว่า เป็นความคิดที่อับประมงคลทั้งสิ้นความคิดที่เป็นมงคล น, นั้นต้องเป็นไปตามความเป็นจริงคืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเถิดถ้าเราแก้ไขไม่ได้หักห้ามไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ให้มันเกิดไปเถิดเพราะไม่มีใครสามารถที่จะไปต่อสู้กับความจริงของธรรมชาติได้เราอาจจะสามารถดูแลรักษาสิ่งต่าง ได้ชั่วระยะหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ในที่สุดเราจะไม่สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งต่างๆไปได้ตลอดเพราะสิ่งต่างๆเขาเองก็ไม่ได้อยู่ไปได้ตลอดนั่นเองทำยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไปเสื่อมไปจากไปเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เหมือนกันเราเปลี่ยนเสื้อผ้ามากี่ชุดแล้ว เพราะมันเก่าบ้างมันขาดบ้างหรือมันเล็กลงไปบ้างเพราะร่างกายของเราใหญ่ขึ้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะไม่ค่อยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องเสื้อผ้าเท่าไหร่เพราะอะไรก็เพ ร, เพราะความยึดมั่นถือมั่นในเสื้อผ้านั้นมันมีไม่มากนั่นเองไม่เหมือนกับความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่นดังนั้นจงดูไว้ว่าเรายึดอะไรมากเราติดอะไรมาก ก็ขอทำความเข้าใจไว้ว่าเรากำลังสร้างสะ ส, สมลูกระเบิดไว้ให้มากนั่นเองถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากเพียงไรก็เท่ากับเรากำลังสะ ส, สมลูกระเบิดให้มีมากๆขึ้นมาในหัวใจของเราเท่านั้นเองเพราะเมื่อถึงเวลาที่มันระเบิดแล้วมันจะระเบิดด้วยความรุนแรงคือความทุกข์จะมีมาก ความทุกข์จะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่เองถ้ายึดมากก็ทุกมากถ้ายึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่ยึดไม่ติดเลยก็ไม่ทุกเลยเราจะเลือกเอาอะไรเราจะเอาเลือกเอาความทุกหรือความไม่ทุกนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจพระพุทธเจ้าตัดสินใจให้เราไม่ได้พระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายตัดสินใจให้เราไม่ได้ ครูบาอาจารย์ต่างตัดสินใจให้เราไม่ได้แม้แต่คนที่รักเราเขาก็ตัดสินใจให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองเราจะตัดสินใจได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามองเห็นความจริงนี่หรือไม่ถ้าเราเห็นความจริงของการรวมตัวกันแล้วแยกตัวกันนี้อย่างชัดเจนแล้ว รับรองได้ว่าเราจะต้องเลือกในทางที่ไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์หรอกความทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยเวลามันทุกข์แล้วมันทรมานจิตใจมากเหมือนกับไฟที่เผาผลาญหัวใจนั่นแหละ อ, อยู่อย่างไรมีฐานะอย่างไรจะรวยจะจนอย่างไรก็ทุกข์ทรมานด้วยกันทั้งสิน้นความรวยก็ดับความทุกข์ไม่ได้ ความจนก็หลับความทุกข์ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือปัญญาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติทำให้กายเป็นธรรมะของเราทําให้กายเป็นปัญญาของเราด้วยการไข้ควรพิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอวันวันหนึ่งอย่าลืมคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เตยขึ้นมาก็บอกว่าวันนี้ก็มีอีกวันหนึ่งของชีวิต แต่จะจบอย่างไรก็ไม่รู้จะมีพรุ่งนี้หรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่เป็นมงคลเพราะเราไม่ยึดไม่ติดนั่นเองเราต้องเตือนสติอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนวันนี้จะออกไปทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะได้ดังใจหรือไม่ได้ก็ดีไปไม่ได้ก็แล้วไปไม่เห็นจะเสียหายอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่จะ ต้องมากังวลเพราะว่าใจนี้สามารถอยู่ได้กับทุกสภาพทุกเหตุการณ์ส่วนร่างกายนั้นมันก็อาจจะอยู่ได้หรืออาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่มันมาทัาหลุมเราทาร้ายร่างกายร่างกายก็อาจจะตายไปได้หรือร่างกายขาดสิ่งต่างๆที่จะต้องมาเอยียวยามันก็ตายไปได้เหมือนกัน แต่ยังไ ง, ง, ง, งยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีเหมือนกันเรื่องความตายของร่างกายนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาสำคัญคือความรู้สึกของใจว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าใจนิ่งเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแสดงว่าใจสบายใจไม่ทุกข์ ใจจะไม่ทุกข์ใจจะสบายได้ก็ต้องมีปัญญานั่นเองก็คือต้องยอมรับความจริงของชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้แหละวันนี้มันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรวันนี้เอาไปหาเงินแทบเป็นแทบตายหาแม่ได้เลยสักบาทหนึ่งก็ช่างมันไปเลยเมื่อเราทาดีที่สุดแล้วมันหาไม่ได้มันก็หาไม่ได้มาร้องหอบร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไปหาแบบทุจริตมันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นโทษทำไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องใช้กรรมต้องไปติดคุกติดตารางจิตใจก็มีความว้าวุ่นขุ่นมัวอย่าไปหาเงินหาทองด้วยวิธีที่ทุจริตเลยหาไม่ได้ก็ยอมอดเอาดีกว่าอดข้าววันหนึ่งไม่ตายหรอกเพราะพุทธเจ้าเคยอดมาแล้วถึง4ี่วันด้วยกัน และถ้าตายได้คนเรายังไม่งอมืองอเท้าจริงๆแล้วรับรองได้ว่าไม่มีทางที่จะอดตายได้ในโลกนี้มีอาหารมีอะไรทุกอย่างที่เราสามารถหาได้ด้วยลําแข้งลําขาของเราขอให้เราอย่าขี้เกียจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวความอดความอยาก <c oughs> อย่าไปกลัวความเป็นความตายเพราะมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเวลาเรากลัวแล้วมันสร้างความทุกข์นอกจากนั้นแล้วมันยังจะผลักให้เราไปสร้างความไม่ดีคือไปสร้างบาปสร้างกรรมสะสมความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นไปใหญ่ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่กลัวความอดความอยากเราไม่กลัวความยากคำลาบากเราไม่กลัวงานกลัวการแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะไม่ถูกความทุกข์ุมเลาอย่างแน่นอน <c oughs> นี่คือ <c oughs> หัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตเราจะต้องมีความกล้าหาญมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรอย่าไปหวังเพิ่งผู้อื่นอย่าไปหวังเพงื่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจที่ปล่อยวางต่างหาก อยู่ใจอยู่ที่ใจไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆใจนี้สามารถอยู่ได้ได้ด้วยความสุขอย่างยิ่งถ้าไม่ไปแบกไปหามไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆยิ่งมีมากยิ่งมีความทุกขมากยิ่งมีน้อยยิ่งมีความทุกน้อยพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงได้ปฏิบัติดังที่ได้ทรงปฏิบัติคือได้สละราชสมบัติ สละความเป็นราชกุมารที่พร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองพร้อมด้วยความสุขที่เกิดจากสิ่งของต่างๆแต่ทรงเห็นความทุกข์ที่ <c oughs> มีอยู่ติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นร่วนเป็นของไม่เที่ยงสั่งชิ่นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นไป เมื่อ น, นั้นก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนจึง <c oughs> มีความกล้าหาญที่จะตัดที่จะละในสมบัติต่างๆเหล่านั้นแล้วออกมาแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงจิตจะสงบได้ก็จะต้องปล่อยวางนั่นเองจะต้องไม่ไปยึดไปติดกับ สิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะเมื่อยังมีความผูกพันอยู่จิตจะต้องมีความกังวลถ้ามีสามีมีภรรยาแล้วเราไปผูกพันกับสามีกับภรรยาเราก็ต้องมีความกังวลกับสามีภรรยาอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราจะไปเอาความกังวลกับเรื่องสามีภรรยาได้อย่างไรหรือถ้ามีถ้าเราไม่ไปผูกพันเราไม่ไปยึดไปติด แล้วเราจะมีความทุกข์มีความกังวลกับสามีกับภรรยาของเราได้อย่างไรมันไม่มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาการุณาเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้มีความสุขร่วมกันได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปคนมาทิศคนละทาง หรือเราจะไปให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนานตามใจของเราก็ไม่ได้เช่นกันเขาก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของเราของเขาตามบุญตามกรรมของเขาเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่ได้หวังอะไรจากเขามากกว่าสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่เขาก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีการ วิธีดำเนินชีวิตที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขความสุขนั้นขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ว่ามีมากมีน้อยแต่อยู่วว่ามีความปล่อยวางมากน้อยเพียงไรมีความยึดมั่นถือมั่นมากน้อยเพียงไรถ้าปล่อยวางมากไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเลยก็จะไม่มีความทุกข์เลยจะมีความสุข พอจิตใจจะสงบนั่นเองจิตใจใจไม่ว้าวุ่นขุ่นบัวกับเรื่องราวต่างๆของคนต่างๆของสิ่งต่างๆเพราะเรายอมรับความเป็นจริงของเขานั่นเองเขาจะดีก็ดีไปเขาจะชั่วก็ชั่วไปเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะตายก็ตายไปแต่เราจะไม่หวังไม่ปรารถนาไม่ต้องการอะไรจาก เขาเลยนะเพราะเราสามารถหาความสุขให้กับเราได้ <c oughs> เพราะความสุขนั้นมันมีอยู่แล้วเต็มที่อยู่ในใจของเรารอเพียงแต่ให้เราทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นและวิธีที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางด้วยปัญญาเพราะเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราไปควบคุม บ, บางคับ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็ว ต, ต้องมีการจากกันไปเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนใจเราอยู่เสมอถ้าเราสอนใจเราแล้วต่อไปใจเราจะหดเข้ามาข้างในไม่ได้นึกอยากที่จะมีอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เวลามีความหลงเห็นอะไรก็อยากจะได้เป็นหมด เห็นอะไรก็อยากจะมีไปหมดนี่คือเป็นผลของความหลงคือขาดปัญญานั่นเองแต่ถ้ามีปัญญาแล้วพอเกิดความอยากจะได้อะไรมันก็จะสกสิบเตือนบอกว่าระวังนะได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันนะเดี๋ยวจะต้อ ง, อ ง, องร้องหผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะมันจะไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอไปแล้วมันก็จะต้องจากเราไปในที่สุด ถ้าเราคอยกระซิบคอยเตือนเราอยู่ทุกเวลาแล้วไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเราจะได้ยินอะไรเราจะต้องการอะไรเราจะไม่กล้าเราจะไม่อยากเพราะเรารู้ว่าความจริงนั้นเราอยู่เฉยๆเราก็พอแล้วเราก็มีความสุขแล้วไม่เห็นจะต้องไปหาอะไรมาสร้างความทุกข์ให้มันเพิ่มขึ้นไปเลยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง ถ้าเราสามารถชนะใจของเราได้ชนะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นชนะความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้แล้วเราจะอยู่ได้ด้วยความสงบด้วยความสบายถึงแม้เราไม่มีอะไรแต่เราจะสบายเพราะไม่ต้องไปเป็นภาระกับไม่มีภาระกับเรานั่นเองถ้าเรามีรถยนต์คันหนึ่งมันก็เป็นภาระแล้วเราต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยหาน้ำมันมาเติมนี่นี่ก็เป็นภาระแล้วแต่ถ้าเรามีเท้าสองเท้าเราไปไหนมาไหนเราเดินด้วยเท้าสองเท้าของเราภาระมันก็ไม่มากเพราะร่างกายนี้เราก็ต้องดูแลมันอยู่แล้วทำไมเราไม่ใช้ร่างกายของเราให้เกิดประโยชน์ทำไมเราไปหาภาระมาเพิ่มขึ้นมาทำไมสร้างความทุกข์ให้กับเราไปไห ท, ทำไมนี่แหละคือปัญหาของพวกเรา คือเราขาดความรู้นั่นเองเราถูกความหลงครอบงำอยู่เราถูกความหลงสอนว่าให้มีมากๆแล้วจะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่มีความสุขซ่อนตัวอยู่นั่นเองแต่มองไม่เห็นจะมาเห็นก็ตอนที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราได้มาแต่ตอนนั้นมันก็สายเสียแล้ว พราะตอนนั้นก็เหมือนกับไฟมันไหม้บ้านบ้านบ้านแล้วไม่มีทางที่จะดับมันได้ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาจึงขอให้เราจงพยายามพร่ำสอนตัวเราเองอยู่เสมอทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาเห็นอะไรก็พยายามมองว่ามันไม่เที่ยงพยายามมองตั้งแต่มันเริ่มขึ้นจนกระทั่งมันจบลงไปอย่างที่เมื่อกี้ได้ พูดถึงเริ่มศาลาหลังนี้เมื่อไม่เมื่อเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่ตรงนี้ก็ไม่มีศาลาหลังนี้ตั้งอยู่แต่เมื่อมีการเอาหินเอาทรายเอาปูนเอาอีกเอาเหล็กเอาน้ําเอาอะไรมารวมกันตัวกันมาสร้างมันขึ้นมามันก็กลายเป็นศาลาขึ้นมาถ้าเราเอีกสักร้อยปีสองร้อยปีกลับมาที่นี่ศาลาหลังนี้ก็อาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ เพราะมันอยู่ไม่ได้นั่นเองนี่มันเป็นสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราก็เริ่มจากหยดน้ำสองหยดในคันของมารดาแล้วมันก็เกาะตัวขึ้นมาจากอาหารของมันดาที่หล่อเลี้ยงก็คือเลือดนั่นเองเลือดของมารดาที่หล่อเลี้ยงทารกที่อยู่ในท้องให้ใค่อยๆจเจริญเติบโตเมื่อเต็มที่แล้วก็ต้องคลอดออกมาก็ต้องมีการให้อาหาร เพิ่มเติมขึ้นไปอีกให้นมให้ข้าวให้ปลาให้น้ําให้ผักให้สิ่งต่างๆร่างกายก็จเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเริ่มแก่ลงไปแก่ลงไปผมเผาก็จะกลายเป็นสีขาวหนังก็จะเหี่ยวย่นหลังก็จะโกงแล้วในที่สุดก็เดินไม่ไหวต้องนอนอยู่ในเตียงจนในที่สุดลมหายใจก็จะหมดไป แล้วเขาก็จะจับเข้าไปใส่ไว้ในโลงเอาขึ้นไปตั้งไว้บนเมนแล้วก็จุดไฟเผากลายเป็นขี้เท่าขี้ทางขี้เท่าขี้ฐานไปในที่สุดนี่ก็คือลักษณะของร่างกายของเราและของทุกๆคนที่จะต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาดูอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่พิจารณาแล้วเราจะเผลอเราจะลืมเมื่อเราเผลอเราจะลืม เราก็จะเกิดความอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นเมื่ออยากแล้วก็ต้องไปขวนขวายแล้วก็ต้องไปแบกความทุกข์ความวุ่นวายใจมาชีวิตของเราจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีแต่ความเครียดมีแต่ควา ม, มความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเพราะความหลงครอบงำจิตใจทำให้เกิดความอยากเกิดอุปทาน แต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาอย่างที่สอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการพักผ้าจากกันเป็นธรรมดาแล้วเราจะไม่ที่อยากจะได้อะไรอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นจะต้องสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์แล้วเราไปเอาเอามาทาไม ในเมื่อเราอยู่เฉยๆแล้วไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าก็อยู่แบบนี้มาแล้วพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็อยู่แบบนี้มาแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่แบบนี้